จเริญนพอท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันเสราร์ที่สมิถุนายนพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้มาวัด เพื่อมาทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความสุขสร้างความเจริญสร้างสวรรค์สร้างมรรคผลนิพพานให้แก่ชีวิตจิตใจของพวกเราพวกเรามีความเชื่อว่าสิ่งต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีมรรคผลนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้ถ้าเราปฏิบัติ <c oughs> ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เชื่อเราไม่ปฏิบัติเราก็จะปฏิเสธว่า นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีมรรคนิพพานไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีเราจะคิดว่าตายแล้วศูนย์พอจะเราจะมองตัวเราเองที่ร่างกายเป็นหลักเราคิดว่าตัวเราชีวิตของเรานี้อยู่ที่ร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะกลายเป็นขี้เถ้าขี้ฐานไป นี่เป็นเพราะว่าเรามองไม่เห็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญกว่าร่างกายก็คือใจของเราพวกเราไม่รู้ว่าเรามีใจนอกเหนือจากมีร่างกายไปแล้วเราไม่รู้ว่าหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราก็ต้องไปต่อ ไปตามฐานะของบุญของบาปที่ได้ทำเอาไว้เพราะใจของเรานี้แลเป็นที่อยู่เป็นที่ตั้งของไกภพบคือพบต่างๆของที่สัตว์โลกทั้งหลายอยู่กันคือมีสามพบด้วยกันกามภพบรูปพบและอรูปพบ กามาพนี้ก็คือที่อยู่ของสัตว์ที่ยังเสพกามอยู่สัตว์ที่ยังต้องการรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆมาบำรุงบำเรอมาให้ความสุขกามาพบนี้ก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่มีความสุขและส่วนที่มีความทุกข์ส่วนที่มีการความทุกข์นี้เราเรียกว่าอบาย เช่นเป็นที่อยู่ของเปรตของเดรัจฉานของนรกเนี่ยนี่เรียกว่าอบายส่วนที่เป็นที่อยู่ของมนุษย์และของเทพนี้เรียกว่าเป็นสุคติเป็นสวรรค์เป็นที่อยู่ของผู้ที่ทำบุญให้ทานรักษาศีลส่วนอบายนี้ เป็นที่อยู่ของผู้ที่ทำบาป ท, ทำกรรมเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดเสพสุรายาเมานี่เป็นที่ของผู้ที่ทำบาปคือใจที่ทำบาปนี้เองดังนั้นถ้าเราอยากจะพิสูจน์ว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงหรือไม่ การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่มรรคผลนิพพานมีจริงหรือไม่เราต้องพิสูจน์ที่ใจของเราเราต้องย้อนเข้ามาดูที่ใจของเราใจของเรานี่แหละเป็นเหมือนจักรวาลอีกจักรวาลหนึ่งเหมือนกับจักรวาลที่โลกของเราตั้งอยู่โลกที่เราอยู่กันนี้อยู่ในจักรวาลที่มีพระอาทิตย์เป็น ประทานแล้วก็มีบริวารมีโลกต่างๆดาวต่างๆเป็นบริวารถ้าเราจะหานรกหาสวรรค์ด้วยการหาทางตาของเราคือศึกษาระบบจักรวาลของเหล่านี้เราจะไม่พบสวรรค์เราจะไม่พบนรกเพราะสวรรค์นนนรกและ พต่างๆเช่นกามาพบรูปพบและอาลูปพบนี้เป็นจักรวาลภายในอยู่ภายในใจของพวกเราทุกคนพวกเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในจักรวาลภายในคือหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วใจของเราก็จะเวียนว่ายต่อไปไปสู่พบดีบ้างไม่ดีบ้าง ขึ้นอยู่กับบาปกับบุญที่เราทำกันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราหันเข้ามามองที่ใจของเราด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นสมาธิปิดตาหูจมูกลิ้นกายไม่รับรู้ข้อมูลต่างๆ ที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะได้เห็นจักรวาลอีกจักรวาลหนึ่งที่เรียกว่าเป็นจักรวาลภายในที่มีพบทั้งสามอยู่คือมีไตภพมีกามภพรูปภพและอริภพรูปภพก็คือที่อยู่ของผู้ที่ได้ฌานได้รูปฌาน สี่และอรูปภพก็คือที่อยู่ของผู้ที่ได้อรูปฌานสเรียกว่าเป็นพร ม, มโลกเพราะพรมไม่เสกความสุขด้วยรูปเสียงกลิ่นรสไม่เหมือนกับเทพเทพนี้ต้องเสพรูปเสียงกลิ่นรสเพียงแต่เทพนี้เสกรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพ ส่วนมนุษย์นี้เสบรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นส่วนยาที่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมืออย่างร่างกายของพวกเรานี้เป็นเครื่องมือที่รองรับรูปเสียงกลิ่นรสผดตับพระต่างๆเช่นเวลาเราเห็นรูปที่เราชอบอกชอบใจเราก็มีความสุขใจก็มีความสุขนี่เรียกว่าเป็นการเสบรูปเสียงกลิ่นรสชนิดยา ที่ต้องมีร่างกายแต่ถ้าจิตละเอียดเข้าไปถ้าได้ทำบุญให้ทานรักษาสี่งจิตจะละเอียดเข้าไปจนไม่ต้องอาศัยการเสบรูปเสียงกลิ่นรสชนิดยาที่ต้องมีร่างกายพอตายไปก็ไม่ต้องไปหาร่างกายสามารถเสบรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นชนิดละเอียดที่เรียกว่าเป็นทิพนี้ได้ทันทีเลย พอเราตายไปปับ๊บเราก็เป็นเทพ ท, ทันทีเสษรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นทพิ์นี้ไปจนกว่าหมดบุญพอหมดบุญแล้วจิตก็จะหยาบขึ้นมาก็ต้องต้องเสษรูปเสียงกลิ่นรสชนิดหยากต่อไปก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาหาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพ ผ่านทางร่างกายของเราดังที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้เราไม่ต้องมีคนสอนคนบอกเลยว่าเราจะทำอย่างไรกับร่างกายของเรากับตาหูจมูกลิ้นกายของเราเรารู้ว่าเราต้องหารูปเสียงกลิ่นดมาบารลุมบาเรอมาให้ความสุขแก่ใจของเราทุกวันนี้ที่เราอยู่กันนี้เราก็อยู่ด้วยความสุขแบบนี้กัน ทุกวันที่เราต้องออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆต้องดูหนังฟังเพลงต้องดื่มต้องรับประทานอาหารชนิดต่างๆเครื่องดื่มชนิดต่างๆก็เพราะว่าเรายังต้องการเสกรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะต่างๆเหล่าแบบนี้เองถ้าตราบใดที่เราหารูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะโดยวิธีที่สุจริตคือไม่ไป ทำบาปทำกรรมเช่นอยากจะได้ของต่างๆเราก็ทำงานหาเงินหาทองเก็บไว้พอมีเงินทองพอเราก็ไปซื้อของต่างๆที่เราอยากได้ไปซื้อโทรทัศน์ไปซื้อเครื่องเสียงหรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอย่างนี้เราก็จะไม่ได้ทำบาปเราก็ไม่ต้องไปใช้บาป คือไม่ต้องไปเกิดในอบายตายไปเราก็ยังได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้านอกจากการหาความสุขทางตาหูจมวนลิ้นกายด้วยวิธีที่สุดจะหลินนี้แล้วเรายังมีศรัทธาความเชื่อในการทำบุญเช่น mm hmm. อย่างวันนี้ญาติโยมก็มาวัดมาทำบุญกันสละทรัพย์สล ะ, ะ, ะเงินทองสลบเวลาที่มีคุณค่า มาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอย่างนี้ก็จะทำให้ใจของเราละเอียดขึ้นไปทำให้เรามีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสชนิดหยาบอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขเพราะใจของเราสามารถเสบรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นชนิดละเอียดได้ไม่ต้องออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสชนิดหยา นี่เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการทำบุญให้ทานทำให้เราไม่ค่อยอยากจะออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่อยากจะไปดื่มไปรับประทานอาหารชนิดต่างๆเครื่องดื่มชนิดต่างๆเพราะใจมีอาหารทิพย์หล่อเลี้ยงอยู่นั่นเองคือบุญที่เราทำกันนี้เป็นอาหารทิพย์ของใจทำให้ใจมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจ เป็นสวรรค์ในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่ตายไปแล้วนี่แหละคือสวรรค์สวรรค์อยู่ในใจนรกอยู่ในอกต้องเข้าใจอย่างนี้อย่าไปหาสวรรค์บนท้องฟ้าอย่าไปหานรกในใต้ดินเพราะมันไม่ใช่ที่ตั้งอยู่ของนรกหรือของสวรรค์สวรรค์และนรกนี้ตั้งอยู่ในใจของเราเกิดจากการทำบุญหรือทำบาป เราทำบุญใจของเราก็จะมีความสุขมีความละเอียดถ้าเราทำบาปใจของเราก็จะมีความทุกมีความอยากเช่นตายไปก็ต้องกลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานก่อนจะกลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานก็ต้องไปตกนรกก่อนต้องไปเกิดเป็นเปรตก่อนไปเป็นผีก่อนจนกว่าบาปที่ทำไว้นั้นมันจางหายไปหมดไป ถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถ้ายังยังไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาหรือได้พบแล้วยังไม่มีศรัทธาก็จะทําบาปต่อไปตายไปก็ต้องกลับไปเกิดในอบายใหม่แต่ผู้ที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ แล้วทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนต่อไปก็จะทําให้ใจนี้ละเอียดขึ้นไปตามลําดับจากชั้นเทพก็จะไปเป็นชั้นพรหมเป็นรูปประพรมจากรูปประพรมก็จะเป็นรูปอรูปประพรมจากอารูปประพรมก็จะก้าวเข้าไปสู่ขั้นของพระอริยเจ้าขั้นต่างๆขั้นโสดาบันขั้นสกิรดาคามี ข, นนาาขั้นอาณาคามีขั้นอรหันต์ขั้นนิพพานนี่เป็นผลที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและทำให้มากขึ้นไปตามลำดับจนทำได้อย่างเต็มที่ ก็จะได้พัฒนาใจของเราให้ไปถึงขั้นสูงสุดได้คือขั้นของพระพุทธเจ้าและขั้นของพระอรหันตสาวกทั้งหลายเกิดจากการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราคือคิดดีพูดดีทำดีนั่นเองอย่างวันนี้ญาติโยมคิดดีคิดอยากจะมาทำบุญ อยากมาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอยากจะมารักษาศีลอยากจะมาฟังเทศฟังธรรมอยากจะมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิเดินจงกรมทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดดัลนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญเป็นการสร้างเหตุที่ดีเป็นการพัฒนาจิตใจ ให้เป็นเทพเป็นพรหให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาตามลำดับนี่คือทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้ํำเนินกันไปแล้วได้เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกที่ยังมีความมืดบอดได้เห็นทางที่จะพาให้ไปสู่ความสุขและความเจริญ ที่ถาวรต่อไปถ้าไม่ได้มีพระพุทธศาสนามาชี้บอกทางพวกเราก็จะไม่มีไม่รู้จักทางที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขและความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เลยชาตินี้จึงถือว่าเป็นชาติที่สำคัญของพวกเรา เพราะเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่ถูกต้องตามหลักความจริงเรียกว่าสวากขาโตภกวตาธรรมโมสอนในสิ่งที่เป็นจริงทั้งนั้นไม่ได้มีสิ่งที่ไม่เป็นจริง ฝังอยู่ในคำสอนเลยทุกคาสอนเป็นคำสอนที่เป็นจริงทั้งนั้นเช่นนรกสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิดการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งเหล่านี้มีจริงและเราสามารถทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยการคิดดี ไม่คิดบาปไม่คิดร้ายด้วยการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือการกระทำสามประการด้วยกันคือคิดดีพูดดีทำดีไม่คิดบาปไม่พูดบาปไม่ทำบาปแล้วก็ชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สงบเรียกว่าสมถภ า, ภาวนาทำจิตใจให้ฉลาดให้รู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าวิปัสสนานี่แลเป็นทางตรงทางเดียวเท่านั้นที่จะพาสัตว์โลกให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้วิธีการอื่นๆนั้นไม่ใช่ทางเช่นเวลามีความทุกข์ใจก็ไป ดับความทุกข์ด้วยการไปหาความสุขทางตาหูจมูกมินกายไปซื้อข้าวของไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดื่มไปรับประทานเหล่านี้ไม่ได้เป็นการดับทุกข์ที่ถาวรดับได้ชั่วคราวแล้วไม่นานความทุกข์ก็จะกลับคืนขึ้นมาอีกหรือการดับด้วยการวิธีทรมารร่างกายด้วยวิธีต่างๆ เช่นไม่อาบน้ําไม่โกรนนวดไม่ตัดผมไม่นุ่งห่มเสื้อผ้าหรือยืนอยู่ในท่าต่างๆไม่ขยับขยื่อนหรือนั่งอยู่บนที่นั่งที่มีของแหลมคมหรือกีดร่างกายให้เลือดไหลออกมาหรือเอาของแหลมคมทิ่มเข้าไปในลิ้นของตนเอง การกระทำแบบนี้ไม่ได้เป็นการดับทุกข์ถ้าดับทุกข์แล้วก็จะมีคนทำกันอย่างนี้ไปแต่ทำไปแล้วความทุกข์ต่างๆก็ยังกลับมาอยู่มีวิธีของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นแหละที่จะดับทุกข์ได้อย่างถาวรคือเราต้องคิดดีพูดดีทำดีไม่คิดบาปไม่พูดบาปไม่ทำบาป เราต้องชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการเจริญจิตภาวนานี่เป็นงานสามขั้นที่พระพุทธเจ้าสมมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนถ้านำเอาไปปฏิบัติได้รับรองได้ว่าจะได้รับผลเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าน้ะภาษาวุกทั้งหลายได้รับผลอย่างแน่นอน การคิดดีพูดดีทำดีนี้ก็รวมลงไปอยู่ที่การทำบุญให้ทานนี้เองนี่เป็นข้อที่หนึ่งขอให้เราคิดทำบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆเวลามีเวลาว่างมีโอกาสมีกำลังมากน้อยเพียงไรก็ขอให้เราทำไปอย่าไปเสียดายเงินทองทรัพย์สมบัติข้าวของต่างๆเพราะมันเป็นของนอกกายนอกใจ เราไม่สามารถเอาไปกับเราได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเงินทองที่เรามีมากน้อยเพียงไรจะไม่เกิดประโยชน์กับใจของเราเลยถ้าเราไม่เอามาทำบุญให้ทานถ้าเราเอามาทำบุญให้ทานก็จะทำให้ใจของเราละเอียดเข้าไปละเอียดมากขึ้นไปทำให้ใจของเราเป็นสวรรค์ ทำให้ใจของเรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอเวลาตายไปก็จะไม่หิวไม่ต้องเป็นเปรตเพราะมีอาหารคือบุญหล่อเลี้ยงจิตใจนี่คือขั้นที่หนึ่งที่เราต้องทำกันอย่างสม่าเสมอไม่จำเป็นจะต้องทำกับพระกับวัดทำได้กับทุกคนใครเดือดร้อนใครลำบาก เราพอช่วยเหลือเขาได้ช่วยเหลือไปทำกับวัดก็ได้ทำกับโรงเรียนก็ได้ทำกับโรงพยาบาลก็ได้ทำกับมูลนิธิต่างๆก็ได้ที่ทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นเราควรจะทำอยู่เรื่อยๆกับคนใกล้ตัวเราด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะคนไกลตัวเรา ท่านสอนว่าให้เราทำบุญกับพระอาหารหันในบ้านของเราก่อนคือพ่อแม่ของเรานี่แหละเป็นพระอาหารหันของลูกๆทั้งหลายอย่ามองข้ามพระอาหารหันพระพรหมในบ้านไปก่อนจะไปหาพระอาหารหันนอกบ้านให้หาให้ทำบุญกับพระอาหารหันในบ้านของเราก่อนดูแลพ่อแม่ให้ดีก่อนแล้วค่อยไป ทำอย่างอื่นได้บุญเหมือนกันทําบุญกับพ่อแม่หรือทําบุญกับพระ อ, อรหันนอกบ้านนี้ทําให้จิตใจละเอียดเป็นเทพเป็นสวรรค์ได้เช่นเดียวกันต่างกันตรงที่ความรู้ที่เราจะได้รับจากพ่อแม่หรือคือพระ อ, อรหันในบ้านกับพระ อ, อรหันนอกบ้านนี้จะมีความแตกต่างกัน พ่อแม่ของเราคงจะไม่มีความรู้เท่ากับพระอาหารหันต์ที่อยู่นอกบ้านถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องไปทำบุญกับพระอาหารหันต์นอกบ้านเพราะนอกจากได้บุญคือสวรรค์คือความสุขใจแล้วเราจะได้ธรรมะได้ปัญญาได้แสงสว่างแห่งธรรมที่จะชี้ทางให้กับเรา ถ้าเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมนี้เราเป็นเหมือนคนตาบอดหรือเหมือนคนที่อยู่ในที่มืดไม่มีไฟฉายถ้าเราได้ไฟฉายสักสักอันหนึ่งมาส่องทางเราก็จะสามารถเดินไปได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วถ้าเราไม่มีไฟฉายเราเดินในที่มืดเราก็ต้องคลำทางไปเรื่อย ชีวิตของพวกเราก็เป็นเหมือนคนที่อยู่ในที่มืดถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้พบกับพระอาหารหันต์เราจะไม่มีแสงสว่างนำทางนี่คืออนิสงส์ที่เราจะได้รับถ้าเราได้ทำบุญกับพระอาหารหันต์คือนอกจากได้บุญที่เกิดจากการทำใจของเราให้ละเอียดให้เป็นสวรรค์แล้วเรายังจะได้รับคำสอน ที่เป็นปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งธรรมแสงสว่างพาให้เรามองเห็นบาปบุญคุณโทษ mm hmm. เห็นนรก mm hmm. เห็นสวรรค์ mm hmm. เห็นภพชาติต่างๆที่เราเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่สิ่งเหล่านี้เราจะเห็นได้ถ้าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระอหรหันต์ดังนั้นการทำบุญนี้จึงมีสอง ลักษณะด้วยกันนะถ้าเราทำบุญเพื่อทำให้ใจของเราละเอียดทำให้ใจของเราเป็นสวรรค์นี้เราทำได้กับทุกคนไม่ว่าใครก็ตามถ้าเราทำด้วยความเมตตากรุณาเอื่อเฟื้อเผื่อแป่สงสารอยากจะให้เขามีความสุขอยากจะให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลาบากอย่างนี้ก็จะทำให้ ใจของเราเป็นสวรรค์ขึ้นมาแต่เราจะไม่ได้รับประโยชน์อีกประโยชน์หนึ่งคือปัญญาหรือธรรมะถ้าเราไม่ได้ทำบุญกับพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถ้าเราอยากจะได้ปัญญาอยากจะได้แสงสว่างแห่งธรรมเราก็ต้องเลือกคนที่เราทำด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าว่าปฏิเสธที่จะไม่ช่วยเหลือผู้อื่น ผู้อื่นเราก็ช่วยเหลือไปดูแลไปเช่นพ่อแม่ของเราเราก็ดูแลไปผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนลำบากเราก็ช่วยเหลือไปแต่เราอยากจะได้ธรรมะอยากจะได้แสงสว่างแห่งธรรมเราก็ต้องไปหาพระอริยเจ้าที่เราเรียกว่าเป็นพระสังฆลตนาของพวกเหล่านี้เองต้องเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไป ยึงจะถือว่าเป็นพระสงฆ์ในพระรัตนตรัถ้ายังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเช่นมาบวชโกนศรีรษะนุ่งนุ่งเหลืองแล้วก็รักษาสิง227ข้อแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติทำให้จิตใจบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นพระสังฆรัตนะยังไม่เป็นพระสงฆ์ในพระรัตนตรั ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ได้บวชและเป็นเพศอะไรก็ได้เป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้เป็นเด็กก็ได้เป็นผู้ใหญ่ก็ได้แต่ถ้าสามารถปฏิบัติจนปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพระสางขารัตน์เป็นพระสงฆ์ในพระรัตน์ตร่แล้ว พราะพระสง์ในพระรันาตนตรัยนี้ไม่ได้หมายถึงนักบวชที่โกนศรีรษะนุ่งเหลืองห่มเหลือมแต่หมายถึงผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะเป็นเพศใดวัยใดก็ตามจะเป็นคารวะก็ได้เป็นนักบวชก็ได้เป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้เป็นเด็กก็ได้เป็นผู้ใหญ่ก็ได้ถ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นไปนี้ถือว่าเป็น พระสังฆรัตนะเป็นพระสงฆ์ในพระรัตนะใจแล้วในสมัยพระพุทธกาลนี้ปรากฏมีพระสงฆ์ในพระรัตนะใจนี้ทุกแบบทุกรูปนักบวชก็มีไม่คารวะก็มีหญิงก็มีชายก็มีผู้ใหญ่ก็มีเด็กก็มีเพราะการเป็นพระสังฆรัตนะนี้ ไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นนักบวชหรือไม่ได้เป็นนักบวชแต่อยู่ที่การปฏิบัติที่เรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนดังนั้นท่านทั้งหลายที่เป็นคารวาสญาตโยมที่ไม่ได้เป็นนักบวชและคิดว่าจะไม่มีโอกาสได้บวชก็ไม่ต้องไป ตัดสิทธ์ตัวเองออกจากการเป็นพระอริยเจ้าเพราะว่าอยู่ที่การปฏิบัติของเราตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทั้งสามประการนี้เท่านั้นอยู่ที่การคิดดีพูดดีทำดีอยู่ที่การไม่คิดบาป พ, พูดบาปทำบาปอยู่ที่การชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการเจริญจิตถภาวนานี้เท่านั้น ไม่ได้อยู่ที่เพศไม่ได้ว่าต้องเป็นหญิงหรือเป็นชายต้องเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชต้องเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กไม่ได้อยู่ที่เรื่องราวเหล่านี้แต่อยู่ที่การปฏิบัติของเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นดังนั้นขอให้เราเข้าใจอย่างนี้เพื่อเราจะได้ไม่ถูกกิเลนหลอกตัดสิทธ์เราออกจากการ ได้บรรลุมรรคผลนิพพานพวกเราทุกคนนี้มีสิทธิ์ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในชาตินี้ด้วยกันทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเท่านั้นไม่ได้อยู่ที่ส่วนอื่นถ้าเราคิดว่าเราเป็นคารวะเราเป็นผู้หญิงเราไม่มีโอกาสที่จะได้บวชเราไม่มีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เราก็จะไม่ปฏิบัติกัน แล้วเราก็จะตัดสิทธ์ตัวเราเองไปด้วยความหลงผิดด้วยความเข้าใจผิดแต่ถ้าเราเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่ามนุษย์ทุกคนนี้มีสิทธ์มีโอกาสมีความสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ที่จะมีความสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้าเราเชื่ออย่างนี้แล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะ ได้บรรลุอย่างแน่นอนเพราะเมื่อเรามีความเชื่อแล้วสิ่งที่จะตามมาต่อไปก็คือความยินดีความพอใจที่จะปฏิบัติแล้วก็จะมีความขยันภาคเพียรตามมามีฉันทะคือความยินดีมีวิริยะคือความภาคเพียรแล้วมีจิตตะคือใจจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติแล้วก็จะมีวิมังสา ความค่้ควรคือใจจะคิดแต่เรื่องทำบุญละบาปคิดแต่เรื่องจิตตะภาวนาจะไม่สนใจกับเรื่องลาบยศสรรเสริญเงิงนทองต่างๆจะไม่สนใจกับเรื่องการบ้านการเมืองใครจะเป็นนายกใครจะเป็นรัฐมนตรีใครจะเป็นสอสอเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้ทําให้ชีวิตจิตใจของเราดีขึ้นเลย นอกจากสร้างความปั่นป่วนสร้างความว้าวุ่นขุ่นโม่ให้โดยใช่เหตุไปเปล่าๆอย่าเสียเวลาไปคิดกับเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเรามีศรัทธาแล้วเราจะคิดแต่เรื่องของธรรมะอย่างเดียวคิดถึงเรื่องของการเดินจงกรมนั่งสมาธิปริกวิเวคคิดถึงเรื่องการทำบุญคิดถึงการรักษาศีลถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะทำแต่เรื่องราวเหล่านี้ เมื่อเราทําเรื่องราวเหล่านี้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่ย่อนไม่นานก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในสมัยพระพุทธการนี้มีผู้บรรลุได้ตั้งแต่ชั่วฟังเทศฟังธรรมก็บรรลุได้บางคนก็ใช้เวลาหนึ่งวันบางคนก็ใช้เวลาเจวันบางคนก็ใช้เวลาเจเดือนบางคนก็ใช้เวลาเจปีขึ้นอยู่กับ ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาว่ามีกำลังมากน้อยเพียงไรถ้ามีกำลังมากก็จะบรรลุได้เล็วถ้ามีน้อยก็จะบรรลุได้ชา้าดังนั้นเราต้องพยายามสร้างฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆให้ฟังเทศฟังธรรมมากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นแล้วฉันทะความยินดีก็จะเกิดมากขึ้น ความภาคเพลนก็จะมีมากขึ้นใจที่จดจ่อกับเรื่องธรรมะก็จะจิตจดจ่อมากขึ้นวิมังสาใจที่คิดถึงเรื่องธรรมะก็จะคิดอยู่มากขึ้นไปเมื่อคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วก็จะปฏิบัติมากขึ้นไปแล้วก็จะบรรลุได้รวดเร็วมากขึ้นไปตามลำดับต่อไปนี่คือทางนี่คือวิธีการพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ และมือผู้ที่เชื่อและปฏิบัติตามอย่างนี้จนได้บรรลุมรรคผลนิพพานมาเป็นจำนวนมากแล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธการจนถึงในสมัยปัจจุบันนี้อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างบุญสร้างสวรรค์สร้างมรรคผลนิพพาน ในวันเวลาที่ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิริศพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอบุญพระศีรัตนตรัยและบุญกุศล